ลงอุกเขปนิยกรรมโดยไม่ชอบธรรมครั้งนั้นพวกภิกษุวัชชีบุตรชาวกรุงเวสาลีถามภิกษุอนุทูตว่าท่านพระยสะกากันดกบุตร ขอโทษพวกอุบาสกอุบาสิกาชาวกรุงเวสาลีแล้วหรือภิกษุอนุทูตตอบว่าท่านทั้งหลายพวกอุบาสกอุบาสิกาทําพวกเราให้เป็นคนเลวยกย่องท่านพระยศากากรดกบุตรผู้เดียวให้เป็นพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรทําพวกเราไม่ให้เป็นพระสมณะเชื้อสายสากยบุตร ลำดับนั้นพวกภิกษุวัตชีบุตรชาวกรุงเวสาลีปรึกษากันว่าท่านทั้งหลายพระยศากากนดากบุตซึ่งพวกเรายังไม่ได้แต่งตั้งเลยก็ประกาศตัวเองแก่พวกชาวบ้านเอาเถอะพวกเราจะลงอุกเขปนียกรรมแก่ท่านพวกภิกษุวัตชีบุตรชาวกรุงเวสาลีเหล่านั้น ประสงค์จะลงอุกเขปนิยกรรมแก่ท่านพระยศกากันดกบุตรนั้นจึงประชุมปรึกษากันสมัยนั้นท่านพระยศกากันดกบุตรเหาะไปปรากฏที่กรุงโกสัมพีต่อมาท่านพระยศกากนดกบุตรส่งทูตไปหาภิกษุทั้งหลายชาวเมืองปาเถยะ และภิกษุทั้งหลายชาวอาวันตีทักคีนาบทโดยกล่าวว่าท่านทั้งหลายพวกเราจงมาช่วยกันวินิจฉัยอธิกรณ์นี้ก่อนที่อาธรรมจะรุ่งเรืองธรรมจะถูกคัดค้านสิ่งมิใช่วิัยจะรุ่งเรืองวิไนจะถูกคัดค้านก่อนที่พวกอธรรมวาทีจะมีกําลัง